ทำแล้วกป็ปฏิบัติทำกันไปจริงๆเราก็ปฏิบัติัแต่ตอนว่ดส่วนมนละนะเราจะเห็นตาของเรากระทบกับตัวอักษรแล้วก็มันก็มีความคิดเป็นความทรงจำเก่าๆที่รู้เรื่องตัวอกักษรกไก่ขไข่แล้วมันก็ทอรหัสได้ไวมาก จนเปลงเสียงออกมาแล้วมันก็จะมีอีกก็คือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจมันจะระบิออกมาคู่กันมันเป็นอาการเป็นสนนัญญาณเป็นคลื่นที่มันจะถือว่ารบกวนก็รบกวนจะถือว่าไม่รบกวนก็ไม่รบกวนอีกอันหนึ่งก็คือเราจําได้ ทำซ้ำๆบ่อยๆมันจะมีภาษาไหลออกมาเป็นเงาๆอยู่ในสมองอยู่ในตัวของเราเนี่ยแหละอันนี้อย่างหนึ่งโห่ก็จะฟังของมันเพื่อนพูดถึงไหนสำแเนยงเป็นยังไงดัดเสียงยังไงเสียงสูงเสียงต่ำเอื่อนยังไงหรือว่ากระชับเร็วสั้นอย่างไรมันจะปรับให้ อันนี้เป็นอาการของสติที่มันใช้เหมาะแก่การงานเป็นปัจจบันข น, นะเจตนาคิดมันก็มีตัวหนึ่งไม่ได้เจตนาคิดมันก็มาอีกมันก็เป็นเงาเงคลอเคลียอยู่จะว่ารบกวนก็ใช่จะว่าไม่รบกวนก็ใช่เนี่ยเราคือการปฏิบัติธรรมไมห่หมายถึงว่าต้องไปเดินจงกรมไปนั่งสร้างจังหวะแต่ถ้าทําอย่างนั้นก็ยิ่งดี เราก็ได้เห็นอาการสัมผัสที่มันเป็นอาการสัมผัสจริงๆเป็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากการปฏิบัติที่เราตั้งแต่ฐานกายเห็นกายในกายไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเก่ามันเกิดขึ้นมาเห็นจิตใจที่มันไม่ใช่มีตัวตนด้วยมันเป็นสภาวะปกติบางทีมันก็มีหน้าที่ ว่องไวเป็นไหวพิบเกี่ยวข้องกับอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆอันนี้แหละมันจะเริ่มแยกให้เราเป็นลักษณะของอาการรูปธรรมเป็นอาการของนมามธรรมแต่มันก็คืออาการคือความรู้สึกเราก็รู้สึกได้ตรงนี้มันเริ่มต้นที่จะบอกทิศบอกทางมันบอกทิศบอกทางไปสู่ทางพ้นทุกข์ให้ทางพ้นทุกข์แล้วก็น คิดว่ามีเงินมากๆจะหมดทุกหรือว่ามีทรัพย์สมบัติเยอะๆมันจะไม่ทุกมีคนที่เรารักร้อมหน้าร้อมหลังมันจะมีความสุขทีนี้ปรามารู้สึกตัวก็เราก็จะเห็นว่าในความรู้สึกตัวมันเป็นความปกติมันเป็นความสุขอีกแบบนึงมันเป็นความสุขพื้นๆที่มันมีหล่อเลี้ยงชีวิตของเราแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นคุณเห็นค่าของมัน จนกทังเรามีความทุกข์กับลูกกับหลานกับบ้านกับทรัพย์เราก็เริ่มเห็นทางออกมีการตีกล้องร้องเป่าตะกนบอกกันสืบทอดพระศาสนาบางทีผู้รู้ตามร้านขายหนังสือเขียนหนังสือขายบางทีก็มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าสถานีต่างๆชุมชนต่างๆบางทีก็ทางอินเทอร์เน็ต ปลอมาททงจอสี่เหลี่ยมทีวีโทรทัศน์บางทีเราเห็นคนที่อยู่ใกล้เราเ็าเย็นพะได้สัมผัสเราก็รู้สึกว่าศรัทธาขึ้นมามีความเชื่อเมื่อพูดคุยสอบถามเมื่อเห็นเราเออก็ได้มีวิธีปฏิบัติเราก็เลยประพฤติปฏิบัติตามบ้างศรัทธาเชื่อแล้วก็ลองมาทดลองดูบ้างมันก็จะเห็นจริงอย่างนั้น ท้ายสุดมันมีความรู้สึกตัวนะในรูปแบบนอกรูปแบบในรูปแบบก็เรียกว่าอาณาปานสติเงี้ยนะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกรูในรูปแบบที่มันเป็นเรื่องของตั้งใจดูอีบดใหญ่สี่นั่งเดินยืนนอนหรือในรูปแบบที่เรียกว่าสญญามแยบปัปะตอนจะตื่นจะหลับซึ่งจะเป็นวิธีการที่องสมเด็จสัมมาเจ้าได้บอกต่อต่อต่อตกันมา จะต้อมีในพระไตรปิฎกแล้วเราก็เชื่อไปนะคือสิ่งที่พระเจ้าได้พูดได้กล่าวไว้แล้วเราก็น้อมมาฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาดูดางทีก็จะเห็นจิตนในรูปแบบที่เป็นจิตรูปแบบที่เป็นจิตมานาการของจิตมันเป็นยังไงวิธีการดูจิตเป็นยังไงอแล้วก็ฝึกกันศึกษากันอย่างหลายคนก็ได้คําตอบหลายคนก็หลงทิศหลงทางไปก็มียเี้ เราต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยกัลยาณมิตรอาศัยผู้ที่เดินไปก่อนเราก็สัตย์กัเราท่านอาจจะรู้หรือว่ารู้จริงๆเราลองสนทนาพูดคุยแบบไม่ได้ด่วนรับไม่ได้ด่วนปฏิเสธเป็นหน้าของสนทนาทำตามการก็เป็นมงคลกับชีวิตของเราผู้ฟังด้วยดีก็ได้ปัญญาเราก็จะได้ลองผิดลองถูกเรียนผิดเรียนถูกแล้วก็เลือกเป็นต่อไปน กำลังเป็นวิถีของชีวิตมนุษย์เราที่นะมีชีวิตเหลืออยู่มีลมหายใจเหลืออยู่เราก็จะใช้เรื่อนะของพุทธศาสนานะให้เกิดประโยชน์สูงสุดพุทนธะคือจิตที่มันรู้ตื่นเบิกบานนี่นะเป็นคำอุทานเป็นอุทานธรรมนะพุทธโธพุทธโธปัตโตเนะีนะ่ยเมื่อก่อ น, มนไม่ได้มีคําว่าศาสนาเพิ่นมีแตศาสนานี่คือธรรมะกวินยัยนะธรรมะก็นะคือกฎของธรรมชาติคือความจ ร, รมิงของธรรมชาติทั้งหมด เรานี้ไม่พ้นแล้วก็ใหญ่กว่ากรรมเลยนะกรรมนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้ว่าไม่ใหญ่เท่ากับธรรมธรรมนี่ใหญ่สุดอะไรอะไรมันก็อยู่ภายใต้กฎของธรรมะทั้งหมดแล้วธรรมะก็ชนะอาธรรมอีกตั้งหากเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่อย่างผาสุขมันก็จะต้องอาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราหล่อเลี้ยงชีวิตของเราต่อไปที่แรกเราก็อาศัยอามิสุข สุขที่เองด้วยวัตถุน 1, 2, 3, ึงสองสามบุคคลหนึ่งสองสามปัจจัยสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปนอกเราอาศัยแล้วก็รู้สึกปลอดภยัยอันนี้เป็นลนักษณะของปัจจัยสี่ไปในเป็นในของสติสีสมาธิสังญยปัญญาต่างๆพวกนี้มันกลายเป็นคุณธรรมอีกมากมายแล้วเกิดจริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมันเกิดมาจากธรรมะส่วนลนักษณะของอวินยัยมันจะเกิดตัวบทกฎหมายต่างๆขึ้นมะ กฎเกณฑ์การของสังคมเกิดศี่ห้าวันนี้ขึ้นมาศี่สองอยเจดวันนี้มันจะแตกออกไปเราจะเห็นจากภายในของเราในขณะที่เราใช้ชีวิตนี่แคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำทำดีคิดดีพูดดีทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีด ม, ดมันส่งผลต่อใจเราอย่างไงเวลาคิดไม่ดีเป็นตะกรนอนก้นเป็นมลทินทําให้เราหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกําลังใจยังไงแล้วเราจะทําอีกหรือไม่ หรือว่าจะอยู่ด้วยปัญญาอย่างไรยเงี้ยบางทีมันไม่ใช่ธรรมแต่เป็นหน้าที่บางทีมไม่ใช่ธรรมแต่เป็นธรรมชาติเนีเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วเราจะใช้อย่างไงให้มันปลอดภัยต่อไปจนเขาเรียกว่าวัตถุ ก, กรรมคุณนี่นะเป็นการมแต่เป็นคุณไม่ใช่กรรมแต่เป็นโทษนะตาดูก็ทบรุกอย่างเนี่ยนะพร้อมก็หยิบมาใช้มันถูกต้องนะนะหยิบ麦克โฟนมาใช้หยิบเน่ยหนังสือธรรมวัดมาใช้หยิบไฟฉายมาใช้อ่เ ฟังเสียงค้องแล้วเกิดมงคลขึ้นมามาทำวัดร่วมกันไม่ใช่นอนสมอยู่ที่กุฏิแล้วก็อ้างว่าเก็บอารมณ์แล้วปฏิบัติทมกันอยู่ตั้งแต่ยังไม่ตื่นนะีอันเนี้ยมันมองออกเลยนะมันออกจากความรู้สึกตัวแล้วมันก็เรามองเรานะเห็นกำลังคิดกำลังพูดกำลังทำเกี่ยวกับกับหน้าที่การละเทสานปัจจุบันขนาดอย่างไรให้เหมาะสมอย่างนี้อย่างผ้าใหม่หลายรูปเอาอย่างพระเก่าผ้าเก่าไป ม, มาทำวัดผ้าใหม่ก็ไป ม, มาทำวัด อันนี้ถือว่าท่านไม่ได้ฝึกได้หัดเลยแต่พระเก่าๆเขาเก่าเนี่ยเขาฝึกเขาหัดมาพ้นห้ารรษาแล้วนะพ้ น, นสิบรรษาแล้วอะไรก็ฝึกหัดมาจนโชคโชนแล้วอันนี้เขาอยู่ไงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาตัวเขาล่อพระใหม่เนี่ยเห็นพระเก่าไมหมก็เอาบ้าง อ, างนนอันนี้ก็ถือว่าตะเถนทงบาทไม่รู้ว่าทำไมก็ต้องทําอย่างนั้นกันมันมีนการเวธรรมเนี่ยตะเถนทรงบาทมีพระขบวด จนเป็นตะแเธอระ น, นะก็คือ10บรปนาขึ้นหมหาเถอระนี่30มสิบเปนา ข, ขึ้นเมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นบาดดินนะรวมเป็นบาดเหล็กสนิมมันขึ้นง่ายนะรวมมันกลั่นง่ายเวลาเราประทานไปนานๆนะเม็ดดินก็หลุดล่อนออกมานะการวางไว้บางทีมันวางมันสีกันหลุดล่อนออกมาทีนี้พอไปล้างบาดตะแเธอแกก็สองบาดดูยอยู่เรนะื่อยมันร่วกจะได้อุดจะได้ปะ ซอมแซมนะทีนี้เนนก็ไม่รู้แหมเอาอย่างตาเถรบ้งเห็นตาเถรส่องนะก็ส่องขึ้นฟ้ามั่งเหมือนกันนะเนนได้บาใบดใหม่เพิ่งบวชใหม่บาทก็ยังดีอยู่เห็นตาเถร ท, ทํากระทำบ้างเอาอย่างบแต่ไม่รู้ตาเถรกแกส่องทำไมอนะย่า ง, งเงี้ยอย่างเงี้ยตาเถรส่องบาดผนะ้าใหม่ไม่รู้เอาอย่างพ้าเก่านะก็ต้องบอกต้องกล่าวกันบ้างนะโนะดวยว่าผ้าพีเลี้ยงก็ซิกกระซา บ, บอกกัน ก็โชว์อากาศนี้แหละบอกกันเวลาบอกกันบางทีข้างนอกไม่ค่อยเชื่อกันบอกในที่ประชุมชนบางทีก็เอออ๋อเหรอพอคนพูดก็จะรับผิดชอบคำพูดเหมือนกันเวลาพูดเราก็จะตามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือบางทีเราเห็นปัญหาเช่นไฟวัดตอนนี้เดือนละสามหมื่กว่าบาทเราเห็นแล้วว่าคืออะไรนะก็เลยเปรียบเทียบว่ารถเบนกับรถโตโยต่า ว, วิ่งระยะทางเท่ากันนะ แต่กินน้ำมันไม่เท่ากันหรอกไฟสามเฟสกับไฟ2เฟสหรือว่าแอมที่มันน้อยก็แอมมากเ่ยใช้ไฟเท่ากันแต่ว่ามันไม่เท่ากันหรอกกระแสไฟที่มันวิ่งกับกระแสไฟที่มันกัดเก็บเอาไว้นะพลังที่มันมีสูงมันอ่านมันออกออกรูไหนตัวนี้ต้องไล่เช็คให้ดีแล้วการใช้พลังงานนี่ต้องระมัดระวังเลยว่าสลาร์เนี่ยมันสลามาส์การที่ไฟกระแสไฟสูงสูงวิ่งมาแล้วก็ผ่านแอมและแอมรับไม่ไหวมันช็อต อาการสายไฟของเก่าที่รองรับอยู่ของเก่ากับของใหม่นะก็เรียกว่าต้องเปลี่ยนทั้งระบบอันนี้เรียกว่าพระราชานเปลี่ยนช้อนธรรมดาเป็นช้อนทองคําไทยสูตรหลายสิ่งหลายอย่างก็ลามมาจนทั้งเสียเมืองนะจนไดนะ้ก็ต้องเรียกว่ารู้ชัดรู้รอบครอบรู้ทะลุทะลวงนะเรื่องพวกนี้ต้องรู้ว่าเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างไรผลอย่างนี้เกิดไปจากเหตุอย่างไรีนะ้วิธีคิดวิธีทำเนะี่ยเราจะรู้ทันทีนะ มันเกิดมาจากสติเกิดจากปัญญาเกิดจากความรู้สึกตัวมันนี่จเกิดการดุนเดาคาดคิดคำนวณคาดคะเนมันเป็นการสัมผัสโดยเป็นประสบการณ์ตรงนะมันมีประสบการณนะ์ตรงนะตรงนี้ตรงนี้ต้องปรึกษาหาหรือการทำอะไรถลมสมองให้ดีๆอย่นะาคิดว่าเออมันไม่มีความหมายนะหนูกับราชาสีบางทีหนูก็ช่วยราชาสีได้เมื่อถึงเวลาตรงนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการอยู่จะต้องเรียกว่า รู้จักกายรู้จักใจนะมันทําให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นมาเมื่อกี้ที่เราสวดกันองค์สมเด็จสัมมาจ้านี่ไม่เป็นคนโกหกนะนะเลยพราะสอนมา45ปสิบ้ายสุดใกล้าตายพูดมาประโยคเดียวเลยนะอาประมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายยงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดมันประมาทไม่ได้เลยนะนะเวลาใช้ชีวิตนะระหว่างที่เราใช้นะอยู่ภายใต้เหตุปัจจัย โดยที่เราไม่ได้ทําตามใจลูกแก่ความอยากเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะมันจะไม่ได้มีกรรมอะไรมันจะเกิดธรรมชาตินะที่เป็นความสมบูรณ์แบบเป็นความผาสุขกเกิดความสันติสุขไม่มีการขนะัดแย้งมันมีอยู่แน่นอนนะในองค์ธรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆธรรมที่เป็นสบังคีจะเกิดขึ้นมาเมืนะ่อประชุมมาพร้อมกันเลิกพร้อมกนะันหรือว่าขันท่าประชุมแต่พอดีมันก็เกิดความผาสุขขึ้นมานะแต่ถ้ามันไม่เกิดการประชุมแต่พอดีนะ มันทุกตัวมันหายไปตัวเนี่ยป่วยเลยบกพร่องเลยความสมบูรณ์แบบมันไม่มีเพราะฉะนั้นจะให้อะไรมันสมบูรณ์แบบไปอย่างที่เราคิดมันไม่ใช่มันมีผู้รู้มันมีวิศวกรไฟฟ้ามันมีวิศวกรที่เขารู้จริงหลายคนวิศวกรสมัครเล่นก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ชานาญการพิเศษมันมีอยู่ถึงแต่งตั้งกันหรือว่าออกสมเด็จสมาจาร์เป็นผู้ชํานาญการพิเศษ นะพอจบมาหลายศาสตร์นีศ า, า, าสตร์ดาราศาสตร์ภาษาศาสตร์ ส, สนทรเวโรหารมายาวิชัยยุทธสงครามคณิกะโยคะพวกนี้จบหมดเลยนะจัทั้งเป็นแล้วนะของเป็นเลิศมากเพรหูสูตรเป็นแนะของวิสัยบัณฑิตมองว่ามีความแก่ความไม่แก่ก็มามีความเจ็บมีความไม่เจ็บก็นามีความตายมีความไม่ตายมันก็มีเมื่อมันมีแล้วมันไม่มีทางออกถ้าเราไม่ทําใครจะทำอย่างนี้นนะก็ แต่ว่าค้นหาทํางานวิจัย ท, ทําทีวิจัยว่าเออหนทางออกจากทุกเนี่ยมันมีหรือไม่เรามาจิมาปฏิปทานั่นะอริยมรรมีองค์แปดนั่นน่ะจากนั้นค้นพบขึ้นมาเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นว่าความคิดเนี่ยถ้าเราหลงเผลอก็ไปในเป็นทุกข์แง่ๆเลยเป็นทุกข์แน่นอนร100้อยเปอร์เซ็น10ต์พันเอร์เ็นตื่นเอร์เ็้านเเซนพราะความคิดมันคือโรงงานผลิตสมมติบัญญัติสม ม, ต, ม, ส ม, มติกันมากมายเหลือเกิน จนทั้งเป็นโลกทางใบนี่แหละเมื่อให้ชาติกัพยายามคิดกันไอ้ดันดีไโน่นดีคิดกันทํากันอย่างนี้นะนะจนเกิดกรรมต่างๆเพราะทำด้วยความไม่รู้กรรมเนี่ยเป็นมนโนกรรมเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมก็ทำไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเรามาฝึกการรู้สึกตัวความรู้สึกตัวแลาวให้มีการกระทําลงไปจริงๆโดยการฝึกโดยการหัดพลิกมือตั้งรู้สึกตัวมาใหม่ๆให้ทําเลย หรืคนเก่าวก็ตามให้ทำเถอเพะพอเราดูจากสื่อลุงปเทียนแล้วเราสรุปจะประเด็นมาชัดเลยลุงปเทียนเนี่ยสอนนะเห็นการเดินจงกรมเห็นการนั่งจังหวะนะท่านก็ทําให้ดูอยู่ให้เห็นวันทีไปพาญาติโยนทําเนี่ยท่านกระสอบอารมณ์อยู่เป็นประจําวันละงสองครั้งสามครั้งทราบจากลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดนะใครยิ่งสนใจปฏิบัติยิ่งเข้าหาจริงๆใครไม่สนใจปฏิบัติเนี่ยท่านผ่านไปเลยอย่างนี้หรือว่าเผออยู่ในวัดไม่ได้เลยนะ อยู่ในวัดไม่ได้ท่านจะบอกเออนะวัดนี้เขนะาเจริญสติกันอะไรประเภทนีนะ้วัดนี้มาแล้วต้องฝึกต้องหัดกันบางที่มาหาอยู่หากินนะท่านก็ไม่อยากให้อยู่เลยนะสังเกตโดยจากคำพูดคําจาของท่านนะรู้ว่าหลวงพ่อมเขียนนะซึ่งวันนี้ท่านไม่มาเนี่ยนะกว่าท่านจะอยู่ถึง 40, สีนะ่สิบกว่าพรษาแล้วกนะ็รู้ทำม า, มาแล้วนะตั้งแต่ตอนที่บวช ก่อนบวชก็รู้เรื่องรูปนามแล้วนะแล้วก็ฝึกขัดประมาณสองปีกับเจ็ดเดือนท่านก็รูนะ้แจ้งแทงตลอดเลยทั้งระบบของทุกนะเหตุแห่งทุกการล่วงออกจากความทุกเนะท่ารู้ชัดเลยแล้วท่านก็พูดถึงสภาวะผู้ดูนะก่อนที่จะมีสภาวะผู้ดูท่านปฏิบัติจนกระทั่งโอ้ท่านพูดให้ฟังเลยนะเืินไม้อย่างนี้ท่านนั่ง น, นั่งจนมันแผลบเลยเบื่อมันออกไขมันมันออกก็ท่านเป็นคนที่อ้วน เขาเรียกการหลวงพ่ออ้วนหลวงพ่ออ้วนหลวงพ่ออ้วนมิงหลวงพ่ออ้วนหลวงพ่อจอยหลวงพ่อจอยขอวงพ่อบุญตามหลวงพ่ออ้วนหลวงพ่อคำเขียนท่านก็มีแต่นั่งฝึกความรู้สึกตัวหลังจากฉันเสร็จเอาบาตรตั้งแล้วก็นั่งลงเคลื่อนไหว14ชัง่วโมเพียงเสาไม้หน้าสามมันแผลบเลอแล้วนึกภาพออกเลยนคนที่มีความเพียรระดับนี้เขาทำยังไงทําทุกวัน ทำทั้งวันอย่างนี้นะนอกจากเวลามันมีเรื่องต้องทํำกิดว่าประจำวันท่านก็ไปทำคิดว่รประจําวันอย่างนโดยการมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวท่านก็เล่าให้ฟังบางทีเพื่อนไปอาบน้ํากั น, นท่านก็เห็นเพื่อนพูดคุยกันท่านก็ไม่ไปท่านก็รอจังหวะก่อนพอเพื่อนพูดคุยกันเสร็จอาบน้ํากันหยอกล้อกันเสร็จไปท่านถึงได้ไปอาบน้ําคนเดียวบางทีเดินบ่ายก็เหมือนกัน เพื่อนก็คุยกันต้นไม้อย่างนั้นอาหารอย่างนี้อย่างน้นผักอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นท่านก็ดูอย่างนี้นะเออเพื่อนก็หลงนะไอ้เราก็รู้สึกตัวเดินบาดบินบาดมีความรู้สึกตัวเพื่อนก็พูดไปชมนกชมไม้ไปท่านก็เออเอาเป็นครูกลับมารู้สึกตัวเห็นเพื่อนหลงเราไม่หลงเห็นเพื่อนทุกเราไม่ทุกนะท่านก็ตั้งใจฝึกหัดนะทุกเรียบร้ลยจับอยู่ตลอดเวลาเวลาขนาดนอนก็เหมือนกัน ขณะที่นอนเนี่ยพระกรรมาฐานนอนก็นยังฝันอยู่อันนี้เวลาฝันมันฝันยังไงนมันฝันว่าผีหลอกเพราะว่ า, าไม้หน้าสามนะไม่ใช่ขอภอภัยอไม้ที่เขาทำโรงน่ยมันมีอยู่สี่แผ่นนะะฝาโรงแล้วขอบโรงสองแผ่นแล้ ว, นะลล ว, ก, ลลวก็ใต้พื้นอีกแผ่นแล้วก็เป็นไม้อย่างดีเลยนะก็เรียกว่าเป็นไม้ทั้งแผ่นทั้งแผ่นสี่แผ่นนะเห็นก็จะไปเผาแล้วก็เสียดายรู้สึกเสียดาย ก็คิดว่าจะมาทําพื้นกุฏินะครานี้เอาไปแช่น้ําเป็นเดือนละมันเป็นศพที่เขาฆ่ากันแล้วก็น้ําเหลืองนะมันเอาเก็บไว้นานจะนสู่พิกศพเอาเก็บไว้นานว่าจะได้เผานน้ําเหลืองมก็ติดอยู่อยู่กับพื้นไม้ครานี้เอาไปแช่น้ําจะเป็นเดือนละหลายๆเดือนเอาขึ้นมาเห็นว่ากลิ่นมันหมดไปแล้วเอามาขัดถูอย่างดีตกักอจนกระทั่งมันแห้งทีนี้ พอเอามาทํากุฏิวันหนึ่งฝนมันตกเข่าฤดูฝนฝนมันตกไม้มันชื้นอย่างงี้นะขาพรรษาเสร็จแล้วกลิ่นไม้มันก็ออกมามันมีความชื้นมันมีกลิ่นออกมาท่านก็นอนหลับไปกับดมกลิ่นไปด้วยเงี้ยมันก็ปรุงปรุงแต่งแต่งเกิดฝันฝันขึ้นมาฝันว่าผีคือศพมันมันกลิ้งเข้าหาท่านก็บริกรรมคาถาในลักษณะที่เคยเป็นหมอผีมาก่อนศพมันก็กลิ้งออกไป ประเดี๋ยวมันก็กลิ้งกลับมาอีกพอบทสวดมันหมดกลิ้งกลับมาทานกับบริกรรมอีกสวดมอนต์อีกออกไปอีกนเอาเข้าเอาออกนะท้ายสุดทั้งก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาทั้งกะมันเป็นความฝันเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้เราฝันเนี่ยพอมารู้สึกตัวบริกรรมศพก็กลิ้งออกพอไม่รู้สึกตัวมันก็กลิ้งกล้ามาไม่ได้บริกรรมอย่างเนเมื่อคืนนี่นอนนอ น, น, อน มาใหม่ๆนอนหลับไหมโยมไม่หลับนะหลายคนใส่หัวไม่หลับอย่างในน้อยเช้านี่ก็ต้องรับประทานอาหารได้ได้นะโยมนอนไม่หลับแต่ตองรับประทานอาหารหได้ได้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ ด, ด้วยวันนี้ถึงนอนไม่หลับทั้งคืนกลางวันเราก็จะไม่นอนกันจะฝึกตนสอนตนกันให้มันมีศิละปะในการใช้ชีวิตนจะนั่งจะดนอนจะเดินจะกินจะขับถ่ายต่างๆจะตื่น ถ้มีความรู้เนะื้อรู้ตัวทำํำไมรู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ยในรูปแบบเราทําให้ไหม่หนะลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านทํามามากแล้วหลวงพ่อโกมฯเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันะเดี๋ยวเยันนี้ยันนี้มนตทนถ้าอยู่นะปรากฏ ว, ว่าท่านเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแเราฟังแล้วก็ประทับใจอ่ะนะพระส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์น่ยท่านฝ่จะเห็นรูปน้ำแล้วก็พูดตรงตร ง, ตงชัดๆนะเอาแค่ว่าจากไม่รู้รูปน้ำไม่เห็นรูปน้ำตรงนี้มันก็ตื่นตาตื่นใจแล้วล่นะก็คือภาษาเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอนะ พอท่านได้พูดออกมาเราโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอเคอยรู้แต่วิชานั้นวิชานี้วิชาโน้นครูบาอาจารย์สอนอย่างนั้นอย่างนี้งั้นเราก็ฝันว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปไปเรียนจนกระทั่งครูบาอาจารย์ท่านสอนลราโอ้โหมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอพอมาฟังครูบาอาจารย์มาฝึกพูดนะมาฝึกมหัดนักปฏิบัติพูดถึงเรื่องว่าท่านรู้อะไรนะ่ะเราก็ตื่นและหูพึ่งเลยนะรู้สึกโอ้มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเงี่ยนะโอ้สมเด็จสมรรามพระเจ้าค้นพบมาแล้วนะ ครูอาจารย์หลวงปู่เทียนหรือว่าพระมากมายที่เป็นเกจิที่เป็นพระในประเทศไทยในเมืองไทยในโลกใบเนี้แม้กระทั่งติสนัทฮันร้อยหลายบุคคล <นะ S 2> พูดถึงเรื่องการฝึกสติแล้วก็เกิดจากการกระทําที่เขาทํามาก่อนเหมืองคนจะมีรถเบนซ์ น, นะเขาทำอะไรมาก็ทํามาก่อ น, นแต่ว่าเราไม่ยังไม่เคยทําไปเห็นแล้วอยากได้ปั๊บเลยนะไม่เป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องคิดอยากคิดทุกข์แต่ว่า ถ้าเราลงมบิกะทํามันเป็นฉันถ้าอัมพาลบเหตุผลจะได้หรือไม่ได้ไม่อีกเรื่องหนึ่งถ้าทําถูกก็ได้ถ้าทําไม่ถูกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีถึงมันไม่ได้มันก็ได้ประสบการณ์โมจะได้เลือกเป็นต่อไปแตรงเนี้เป็นกรรมาฐานให้เป็นการกระทําจริงๆเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆแต่ว่าก่อนจะทำเนี่ยสรุปจะประเด็นให้มันชัดว่าเราจะมาทําอะไรกันเราทําจากแค่ไหนถึงแง่ไหน ถึงจิตมันจะไปทําอย่างอื่นโดยที่ไม่ต้องทุกข์นะดูกายแค่ไหนมันเห็นรูปเห็นนามอย่างไรมันมีสติอย่างไรถึงจิตใจของเราที่มันคิดนึกปรุงแต่งเพอเห็นกลุ่มเห็นก้อนนี้เห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นอาการที่เกิดกับรูปธรรมนามธรรมมันจะเห็นตัวมันเองยังไงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นขันยังไงตรงนั้นตรงนั้นแหละมันจะเห็นภพชาติะมันจะเห็นอาการที่มันเกิดเป็นภพชาติจะถอดละหันเลยเปรตสาระโลกสุรกายต่างๆ เป็นพระเป็นผมเป็นผีมันเป็นยังไงมันเกิดยังไงกลไกการกระทํามันแสดงออกยังไงนะะแม้ทางบุน่ยบางทีไม่ใช่บุญร้อยเปอรเาเป็นบุญผีบ้าก็มีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆบุญผีบ้าฆ่าวัวฆ่าควายขิ่นเหล้าสุบุเรีกันนะจ้างหนังจ้างละครมาแล้วก็ตีกันวัยรุ่นในหมู่บ้านพวเนี้มันเป็นบุญยังไงกันมันเป็นบุญที่เอาหน้าเอาตาแบบไหนจุดพลจุดตะไลกันมันเป็นยังไงเป็นว่าทํา ประเพณีทิมชิปหายจนชิปหาย ย, ายังไงมันมองออกเลยนะะบุญยังไงที่เป็นคุณเป็นค่าบุญค้ำบุญชูเป็นบุญที่อุปถัมภ์ค้ำชูคําจนทําให้เราเนหะมือนก็ว่าจเจริญรุ่งเรืองเรียกว่ามันมีหลักเลยละหลักชีวิตนะะมันหนักแน่นพอสมควรทีเดียวพร้อมปรชิญเลยตรงนี้เรามันจะเป็นธรรมที่เป็นธรรมและเหนือธรรมจรงิงๆนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมจะต้เข้าถึงความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวจึงเป็นตัวสติความรู้สึกตัวจึงเป็นตัวศีลความรู้สึกตัวจึงเป็นตัวสมาธิและความรู้สึกตัวจึงเป็นตัวปัญญาในขณะเดียวกันมารวมลงที่ความรู้สึกตัวแต่ว่าใหม่ๆมันจะไม่ได้แยกใครเราะใหม่ๆมันจะรวมกันหมดนั่นแหละยังไงก็ขอให้รู้สึกตัวไว้ก่อนแล้วพอทำไปนานๆมันจะแยกใครเราตรงนี้จะตื่นตาตื่นใจอย่างมากนะเหมือนกับเราเห็นดินอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันดินเหนียวดินทรายดินเลนยังไง เป็นก้อนกรวดยังไงแต่พอเอาน้ําไปแช่มันแล้วก็อยู่มันนานๆเราจะได้เห็นคอนกรีตมันแยกยังไงเป็นหินยังไงมันเป็นตัวผงของซีเมนต์ยังไงแล้วไม่ใช่ซีเมนต์ธรรมดาเป็นซีเลนซีเมนต์ปอร์แลนด์ยังไงเป็นโครงสร้างไงปูนฉาปูนก่อยงไงเป็นในน้ํายังไงหนะรือว่าเล่งยังไงนะสเตนก์เท่าไหร่มันรู้รายละเอียดเองแนละค่อยมาสนใจก่อนว่าอันนียมันคืออะไรนะมองตรงๆมาทางนี้ก่อน จะศึกษาชีวิตก็มองมาที่กายของเราก่อนจะเห็นก้อนธาตุธาตุน้ำยังไงธาตุดินยังไงธาตุลมยังไงธาตุไฟยังไงะมีอาการเป็นโรคยังไงไม่ป่วยนะเป็นไปไม่มีนะะใครมีร่างกายแล้วไม่ทุกข์ก็ไม่มนะีนั่งไม่เมื่อยเนี่ยไม่มีมันมีโรคาพยาธิแท้งหมดนะมันไม่ใช่มีเราอย่างเดียวมีพยาธิด้วยมีแบคทีเรียด้วยมีไวรัสด้วยนะมีเชื้อต่างๆมากมายเหลือเกินนะ มันก็คือตัวชีวิตของเราตัวดีก็มีตัวร้ายก็มีนะเหมือนกับเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ผู้ร้ายใช่ไหมมันมีอยู่ในตัวเราเซนะลล์ผู้ดีมันก็มีเหมือนกันมันมีอยู่ในตัวเราพนะาให้เรามีชีวิตอยู่พาให้เราตายก็มีอยู่ทีนะนี้จะรักษามะเร็งก็เอาคมมรีโมใส่เข้าไปเคมีบําบัดคกาวนี้เราทั้งดีทั้งไม่ดีแล้ะพุ่งพล้ลวลนะโดนทำลายทั้งคู่แต่ถ้ามีภูมิต้านทานที่ดี เดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นมาไอตัวดีก็มากับภูมิท่านทานที่ดีนั่นแหละแต่ถ้าภูมิท่านทานไม่ดีเดี๋ยวไอตัวไรก็แสดงกันไงก็ตายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็จึงต้องเหมือนกับว่าบาพิความรู้สึกตัวคิดดีก็เอาออกคิดไม่ดีก็ไม่สนใจมีแต่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวตรงนี้มันก็จะได้คําตอบเบื้องต้นก่อน วความทุกข์นะหลังความทุกข์อยู่ที่สมมติบรรดาอยู่ที่การคิดทั้งหมดเลยเรื่องดีทีเราก็มองไม่ดีบางทีเราก็เอาคงจากมันเป็นดอกบัวเอาทุกมาเป็นสุขงทีเอาสุขมาเป็นทุกข์ต่างๆนาน า, นามากมายเหลือเกินนะบางทีบัณฑิตเข้ามาในข้ามคนพานที่คนพาลในข้ามบัณฑิตเนี่ยมันมีจริงๆเราก็ได้เห็นกันเห็นตัวเราเห็นความรู้สึกตัวเห็นกายเห็นใจของเราทียิบเลย นะแล้วก็จึงในะเราตื่นตั้งแต่เช้ามาทําวัตรเสด็จบวชไปกินมงคลของชีวิตแนะม้วก็อาบน้ําก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าต่อไปเราก็ใสนะ่ตัวปฏิบัติลงไปสวมกรอบลงไปนะให้มีกรอบเขตของจิตนะที่มจะต้องมาอยู่ครับปกติธรรมมาอยู่กับปัจจุบันขณนนะนะมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายนะมาอย่างนั้นมันไปอดียนาคตไปอยู่กับความคิดเราก็จะทุกข์เหมือนกับที่เราเคยผ่านมาอย่างนี้นนะ วันนี้ก็เห็นว่าพูดให้อารมณ์กับนักปฏิบัติใหมนะ่ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะแล้เดี๋ยวเราจะได้พากันปฏิบัติทั้งวันต่อไปนะก็ขอให้ทำ ม, มาก ข, ของเรานะที่เราเห็นว่ามันเป็นจริงเป็นศสนาธรรมที่องค์สมเด็จสัมมาจ้าได้วางนะเป็นหลักการหลักเกณฑ์เอาไว้แล้วเราก็มาเรียนรู้ที่วัดป่าสุกตนะัะเราก็เชื่อว่าวัดป่าสุกตนะัวน่ะมันเป็นวัดที่มีอายุ ป, ประมาณสามสามสี่สิบปีนะ ประมาณ40ปีแล้วแล้วก็เป็นวัดที่ก็ อ, อนุญาตให้เรามาปฏิบัติธรรมกันถูกต้องตามกฎหมายอย่างเงี้ยนะเราเห็นว่ารูปแบบการปฏิบัติมันก็เป็นหนึ่งใน5วิธีที่สามารถเผยแผร่ทั่วโลกเราก็จะลองใช้เข้าเมืองตาหรืวหรือตาตามเราใช้รูปแบบการปฏิบัติศึกษากายศึกษาใจของเราจเจริญสติจทั้งสติจเจริญก็ขอให้ทุกทน ทุกท่านได้นะพบเจอกับศสัรธรรมตามสมควรแกร่การพิบัตร่ในทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนตั้นเต้น